ธรรมชาดกแผ่นที่7ลำดับที่15หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1มกราคม2556มีชื่อเรื่องว่าบุญเก่าของพระอนุรุทธะ วันนี้ปีใหม่ปีใหม่วันนี้อะไรผิดปกติบ้างปีใหม่หรือว่าหนาวผิดปกตินะ <c oughs> ใอ้พวกเราคณะสัตยาติโยมดูด้วยว่าปีนี้ผิดปกติอะไรหลวงพ่อเห็นชัดๆคือคือหนาวนะวันนี้หนาวกว่าทุกวันที่ผ่านมาได้คณะสัายาธิโจงทำบุญทำทานมาเนี่หลวงพ่อก็บอกพระนะ วันนี้เรารวยลิงก็ให้รวยด้วยนะไม่ใช่รวยแต่พวกเรานะลิงก็ให้รวยด้วยนะวันนี้นะลิงก็ให้อิ่มลิงหลวงพ่อก็มีเยอะแล้วก็บออีวะนี่นมทั้งหลายแหละเก็บไว้สำหรับเด็กอนุบาลด้วยนะอนุบาลรอบๆวัดหลวงพ่อเนี่ยเก็บใส่ถุงไว้ วันเด็กนักเรียนเปิดก็ไปแจกนักเรียนหลวงพ่อคิดถึงเด็กนักเรียนด้วยนะถ้ามีนมขึ้นมาคิดถึงลิงด้วยคิดถึงนักเรียนด้วยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช25งพหสิบเป็นวันปีใหม่ปีใหม่สากล วันคืนเดือนปีผ่านไปปีที่แล้วก็ปีห้าสิบห้าปีนี้ห้าสิบหกปีต่อไปห้าสิบเจ็ดแต่วันคืนเดือนปีผ่านไปไม่ใช่ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีอายุของเราก็ผ่านไปด้วยปีนี้หลวงพ่อหลวงพ่ออินของพวกเราเนะี่ย เดือนเมษาเนี่ยแปลว่าห้าสิบแปดปีเต็มหกสิบแปดปีเต็มไม่ใช่ลดนะหลวงพ่อลดถึงสิบปีใช่ไหมหกสิบแปดปีเต็มต่อไปเกินเดือนเมษาไปก็เป็นหกสิบเก้าแล้วนะลูกหลานนะไม่ใช่หลวงพ่อจะน้อยหนุ่มนะ จะป่าเข้าไปเจ็ดสิีปลอมล่อแล้วชีวิตของพวกเราท่านพูดในพระไตรปิฎกเอาไว้ว่าปีสองพันห้าร้อยผ่านไปเนี่ยอายุใครก็ตามอายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขอายุเจ็ดสิบห้าปีนี่เป็นอายุไขคืออายุมาตรฐานถ้าใครเกินอายุเจ็ดสิห้าไปแปลว่าผู้นั้นได้กำไร แต่ถ้ายังไม่ถึงเจ็ดสิบห้าปีคนนั้นเพราะว่าขาดทุนนะขาดทุนชีวิตนะเพราะนั้นหลวงพ่อจนเหมือนล้อมล่อล่ะหกสิบเก้าน่ ะ, ะเพราะนั้นปีนี้สองันห้าร้อยห้าสิบหกให้พวกเราคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนทบทวนดูอายุของตนเองสรุปแล้วก็คือจะให้ทำยังไงหลวงพ่อน สรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปน่านี่แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบได้มันถึงจุดจบได้ถ้าถึงจุดจบแล้วจะไปยังไงอย่างที่พวกเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรา น, น่ถึงจุดจบแล้วก็นั่นแหละไปชุมเพลิงพระราชทานเพลิงไปเอาไปฝัง แต่เราน่จะเป็นอย่างนั้นไหมไม่นต้องเป็นอย่างนั้นหลวงพ่ออินก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะทำยังไงแต่หลวงพ่อก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะต้องสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะว่าหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกในธรรมคำสอน จากนั้นมากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านก็ค้นคว้าศึกษาอีกตามอีกตามแนวธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นในยุคปัจจุบันหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่เขาหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านก็ปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าให้เดินทุ่งอย่างไงท่านก็เดินทุ่งกบ สู่ป่ารงพงไพยไปสู่ที่สงบสงัดไปนั่งกันกรองไตรตองอยู่ในป่ารงพงไพยตามลำพังฮะท่านก็รู้ได้ว่าอืมทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ศึกษาเนี่ยตายแล้วไม่สูญจริงๆแต่ร่างกายเนี่ยตายแตกตา ย, ตา ย, ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่ว่าจิตใจคือนมามธรรมน่ต้องไปปฏิสนธิไปเกิดที่อื่นได้อีกตัวนั้นน่ะไม่สูญนี่แหละ อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันของพวกเราที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วคือคืออย่างที่ว่าน่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมเอาไว้ให้สั่งสมบุญคุณงามความดีเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้สิ่งที่มันชั่วอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดี ถ้าทําไปแล้วกรรมตัวนั้นสิ่งที่กระทาไปนั้นจะตามให้ผลเมื่อภายหลังอย่างพระบาลีที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกให้แก่พวกเราได้ฟังพอยกให้กลุ่มอื่นฟังพวกกลุ่มของเราก็ยังไม่ได้ยินได้ฟังอกีกเพราะพวกนั้นพวกที่กลุ่มได้ยินได้ฟังก่อนโอ้ยหลวงพ่อพูดบ่อยเหลือเกินน่ยแต่พวกที่หลังโอ้ยยังไม่เคยได้ยินได้ฟังฮะเพราะนั้นบางครั้งหลวงพ่อก็บอกว่าพวกทีดด่ยินได้ฟังก่อนก็ปิดหูไว้ก่อนนะพอหลวงพ่อพูดบ่อย ที่หลวงพ่อยกขึ้นว่าอากตังลุกตังเสยโยปัชาตปิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะเมื่อทำลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้อ่านอ่านสารพรปีใหม่นะเพราะทางกรุงเทพเขาขอมาเขาขอมาบอกว่าหลวงพ่ออยากจะได้คำอวยพรปีใหม่หัวหลวงพ่อเขียนมาให้ด้วยหลวงพ่อก็ให้พระท่านแต่งพรปีใหม่ทั้งสามองค์นะเอามาให้หลวงพอ่อก็หลวงพ่อก็ได้อ่านดูละอืดีทุกคนแต่หลวงพ่อจะอ่านของของครูบา เสียงเที่ยอ่านมาให้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมันอ่านตัวใหญ่ดีเท่นี่ตัวอื่นมันตัวเล็กไงตรง ต, ต, ตัวนี้ตัวใหญ่ดีแล้วก็เนื้อหาสาระก็เหมือนเหมือนกันพ่อหลวงพ่อได้บอกเอาไว้ว่าควรจะแต่งยังไงที่ที่หลวงพ่ออยากจะให้พูดนะแต่ก็ยาวไปสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะพรยาวๆนะ่ะอืมเพราะจะได้ควบคุมทุกอย่างถ้าพรสั้นๆเนี่ย อย่างที่หลวงพ่อพูดนอพรชั้นๆั้นอดทนหลวงพ่อเคยเคยพูดมาแล้วนะพรพรชั้นชั้นอดทนแค่ว่าให้มีขันติคือความอดทนคนที่มีขันติคือความอดท น, นอยู่ในสถานที่ใดดีทั้งนั้นถ้าคนไม่มีความอดความทนเลยอยู่ที่ไหนก็ น, นั่นแ่ละกงกิงกุกิงกงกิงวิกลูกเลกลูกเล็กลูกเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกไม่มีความอดทนไม่ดีฮะ อยู่กับใครก็ไม่ดีถ้ามีความอดทนแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีแต่อันนี้พรหลวงพ่อสั้นไปตัวนั้นบัด น, นี้เอาพรยาวๆสักหน่อยนะฟังๆเดีอนะหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังพรปีใหม่พุทธศักราช2556จากพระอาจา ร, รย์อินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยตะบล บ, บ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีในวารดิถีขึ้นปีใหม่ อาตมาภาพขอ อ, อํำนวยอวยพรให้คณะสิทธิ์ทุกทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยการประกอบกุณงามความดีและขอฝากข้อคิดสกิดเตือนใจให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้แก่ทานศีลภาวนาและทิฏกเห็นของพ้ะทานศีลภาวนาและทิฏกทานคือการให้ การเสียสละการบริจาค ก, การแบ่งปันมนุษย์ย่อมจะอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะการมีน้ำใจรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยเมตตาธรรมได้แก่การให้สิ่งของการแนะนำความรู้แนวความคิดเป็นต้นสินคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างสามัญชนก็ควรให้มีสินห้าเป็นพื้นฐานคือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ผู้อื่นไม่ลักขโมยของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราหรือไม่เสพสิ่งมึนเมาทุกชนิดลองคิดกับกันดูที่ว่าถ้าเขามาฆ่าเราบ้างมาขโมยเราบ้างมาผิดลูกผิดเมียเราบ้างมาโกหกเราบ้างมาทําความเสียหายเพราะความเมาหรือยาเสพติดเราจะคิดอย่างไรสรุปก็คือ ใจเขาใจเราให้เรารู้จักเคารพในสิทธิของกันและกันนั่นเองภาวนาคือการทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการทำอะไรทุกอย่างก็ย่อมจะออกไปจากใจของเราทั้งสิน้นคิดดีคิดชั่วคิดทำร้ายทำลาย ก็ออกไปจากใจของเราแต่ถ้าเราทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ย่อมที่จะเกิดความยับยั้งชั่งใจไม่คิดฟุ้งซ่านไม่เป็นโรคประสาทไม่ทุกข์ใจและไม่สะทกสะท้านกับทุกที่จะมาทั้งภายนอกและภายในได้เลยและกฤทิหกคือการให้รู้จักหน้าที่การอยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนได้แก่ ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเราควรปฏิบัติตัวดังนี้คือเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอ่อทำกิจตระของท่านดำรงวงศัตรูประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านทิศเบื้องหลังคือสาบีภรรยาการอยู่ร่วมกันในครอบครัวควรให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่นอกใจกันให้รักใข้สามัคคีและเมตตาต่อกันเพียงแค่นี้ก็จะทำให้ครอบครัวเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กๆกินอย่างไรนอนอย่างไรขับถ่ายอย่างไร จนไปถึงครูในโรงเรียนมหาวิทยาลัยเราควรปฏิบัติตัวดังนี้คือเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาให้ลุกขึ้นยืนนับเข้าไปคอยรับใช้ให้ความเชื่อฟังให้การต้อนรับขับสู้และอุปถากเรียนรู้ศิลปะวิทยาด้วยความเคารพให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายการครบหมูคบเพื่อน ก็ควรครบในส่วนที่เป็นกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีไม่หักหลังกันไม่คดโกงกันไม่เบียดเบียนกันควรมีความหวังดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสุขก็สุขด้วยกันมีทุกข์ก็พร้อมที่จะทุกข์ด้วยกันอันนี้เรียกว่ากัญญาณมิตรมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเจริญมากเท่านั้นเทศเบื้องต่าคือคนใช้คนงาน ถ้าว่าเจ้านายของเราดีให้ความใส่ใจกับลูกน้องลูกน้องกินอยู่อย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรทกยากลำบากอย่างไรแค่ไหนให้การดูแลเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจเขาก็จะทำให้ลูกน้องหรือคนงานรู้สึกอุ่นใจเจ้านายของตนเองทำงานให้ด้วยความไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อมีงานอะไรมาให้ทำ ก็ทำเรื่องความเต็มอกเต็มใจทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์หรือผู้ทรงศีลอย่างพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วสิ่งไหนควรไม่ควรถูกหรือผิดให้รู้จักศีลรู้จักธรรมเป็นผู้แนะนำแนวทางด้านจิตใจให้เกิดความร่มเย็นผาสุกในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง พวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหกนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ย่อมที่จะมีแต่ความเจริญงอกงามในชีวิตโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนี่แหละคือพระธรรมคำสอนที่เป็นธรรมพรหรือพรอันประเสริฐที่จะประสิทธิ์ประสานให้แก่พวกเราได้เจริญในวันข้างหน้าต่อไป ดังนั้นหลวงพ่อเองก็ขออำนาจคุณพระศีรัตน์ตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากงนโลกจงมาปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายให้เจริญอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานธนสารสมบัติประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกประการเทินนี่แพรปีใหม่ของหลวงพ่อประสิทธิ์ประสาทนะพรยาวสักหน่อยแต่มีความหมายมีแต่ว่าเราไปขอพอรแต่ว่าไม่ทำตนให้เป็นคนดีแล้วพรนั้นจะประสิทธิประสาทให้กับเราได้อย่างไรเหมือนไปขอพอรก้าวัด ไปก็นะ่นะไปขอพอรแต่เราที่ขอพอรนั้นะเราทำตนอย่างไรเราต้องทำตนให้เป็นคนดีซะก่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวันนีนะ้พวกเราก็ได้ทำทานนะพอทำทานทำบุญทำทานเสร็จแล้วเราก็ขอพอรนะขอพอรจากพระสงฆ์หรือขอพอรจากพระพุทธอุดมมงคลพระพุทธรูปพระประธานของหลวงพ่อนะชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลนะ ตั้งชื่อพระองค์ท่านเนี่ยถวายชื่อพระองค์ท่านว่าพระพุทธอุดมมงคลคือพระประธานวัดของเราเลยก่อนที่เราจะขอพอรจากพระพุทธอุดมมงคลเราก็ต้องกราบไหว้ท่านซะก่อนเนี่การาบคารวะพุทธทงธรร ม, มังสังขังสรานางังคัชามิจากนั้นก็ขอบพุทธพระพุทธอุดมมงคลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยอำนาจขุนภาษีรัตนนาฏยคุ้มครองข้าพเจ้าขอให้มีความสุขความเจริญด้วยเทินนะอันนี้ก็คือการทําบุญในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก่อนที่ท่านจะรับพรหรือว่าให้พรหรือว่าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าใน้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะรับพรเราต้อง ทำบุญซะก่อนอย่างทุกตะสมัยหนึ่งทุกตะไปเกี่ยวย่าทําใครๆว่าเป็นอาชีพคือเกี่ยวญ่าขายเกี่ยวญ่ามาแล้วก็มาทำเป็นเป็นไผ่ไผ่เป็นแผ่นๆเพื่อจะมุงหลังคาบ้านเรียกว่าไผ่้าดมาไผ่ขายเป็นอาชีพแต่นน้ก็วันหนึ่งอ ทุกตาเนี่ยก็นไปเกี่ยวหญ้าตั้งแต่เช้ามืดเกี่ยวหญ้าคาจากนั้นก็เดินมาพอเกี่ยวได้หญ้าคาแล้วเดินมาทางสองสามีภรรยาก็อยู่บ้านอยู่บ้านด้วยกันจากนั้นก็พอภรรยาทําอาหารเสร็จแล้วภรรยาเขาก็กินก่อนแล้วของเขาเขาก็เอาไว้แต่ของสามีสามีก็คงจะมาสายบ้างพอมาเสร็จแล้วก็ หาบหญ้ามาเห็นพระประเจกพุทเจ้ากําลังเดินบินธบาตก็เลยวางหญ้าคาลงนะก็เลยเข้าไปถามยกมือไหว้ถามท่านว่าพระพุทธเจ้าครับพระองค์ท่านได้อาหารอะ้รอย่างครับพระปิปบินธบัติท่านก็ไม่พูดเลยท่านไม่ได้ขอใช่ไหมท่านก็เงียบทุกกะตะนี่ก็บอกว่าผมขอดูบาทใชครับเปิดบาทให้ผมดูใชครับ ท่านได้อาหารหรือยังพอเปิดเข้าไปเป็นบาดเปล่านะยังไม่มีอาหารเลยฮนีต่ตอนี้ก็ทุกตานี่ก็โอ้จังงั้นก็ขอในมนเนไปรับอาหารผมครับผมจะถวายอาหารใส่บาดพระคุณท่านพระประเจ ก, กก็รับนิ่งทุกตาเนี่กับวางยาไว้ทีนกุบทั้ ง, ท, งทั้งเดินทั้งวิ่งนะก็เร็วๆหน่อยพ ง, งั้นะ พอ <P ot or OK> ไปถึงแม่บ้านก็บอกว่าเอ้ยแม่บ้านอาหารของผมยังเหลือไหมทางแม่บ้านเออเหลืออยู่ของคุณยังเหลืออยู่ เ, เก็บไปให้อยู่เอเอเ อ, เอาลงมาเอาลงมาแม่แม่บ้านก็เลยรีบเอาลงมาให้ทุกตะทุกตะก็จกตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานในใจ สาธุเนอข้าพรเจ้าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ทุกอย่ากลําบากเหลือเกินการเป็นอยู่ต่างเขามากเขามีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ข้าพระเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้ามาขายเป็นอาชีพอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพรเจ้าได้ทําบุญในครั้งนี้คราวนี้ เมื่อได้ทําบุญไปแล้วคําว่าอดอยากอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการอะไรสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการนั้นอย่าได้ยินคําว่าไม่มีฮข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ตามคําว่าไม่มีอย่าได้ยินกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการจิ่งไหนขอให้มีสิ่งนัดในข้าพเจ้าเกิดในภพภูมิต่างๆจนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นทุก ในวัฏสงสารถึงผนิพานในที่สุดอก่อนที่จะทําบุญแปลว่าทําบุญน้อยนะอแต่ว่าปราท่านาใหญ่มากเลยงั้นเถอะคําว่าไม่มีอย่าได้ยินอย่าได้ยินว่าคําว่าไม่มีฮะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อวะแต่คําพูดคําพูดสั้นๆนะแต่กินลึกละเกินว่ากันยาวละเกินใหญ่ละเกินน่ะอยากจะได้อะไรคําว่าไม่มีอยาให้ได้ยินนะขอให้ได้สิ k นั้นะเออ พอพระเจ้าพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาหมัดหมัดท่านก็มองเห็นแล้วครั้งที่ท่านจะมาบินเทวดาท่านก็เลงยานดูสัตวโลกดูแล้วโอ้ทุกขตะคนนี้น่ยเข้ามาในข่ายเข้ามาในพยานเข้ามาในจอเลดา้าเนี่ยเขาจะทําบุญไหมวันนีนะ้ท่านก็มองโอ้เขาทําบุญจิตใจของเขาเป็นกุศลมากทุกขตะคนนี้อแต่เมื่อเขาทําบุญแล้ว เขาจะได้สมบัติใหญ่ในอนาคตนั่นแหละพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็เลยมาบินทับาทพอมาบินทับาททุกตาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างแรงกล้าเนี่ยขนาดตัวเองทำอาหารให้ชุดเดียวสําหรับแม่บ้านจะกินอะไรก็ไม่รู้กินอะไรก็ได้ฮแต่นี้ก็ใส่บาตรพระประเจกก็ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วก็เกี่ยอาหารลงใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพอเห็นว่าอาหารคนคนเดียวนะ พระปเจกพุทธเจ้าเอาทุกครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งเอาพอและโยมเอาท่านให้โยมให้โยมกินซะนะโตกตาบอกว่าอาหารนี้เป็นอาหารสําหรับคนคนเดียวพระเจ้าค่ะก็ผมขอถวายไม่มีส่วนเหลือเลยขอถวายทั้งหมดจะไม่เก็บไว้ขอพบคุณเจ้าฉันอาหารของข้าพระองค์ด้วยเจตนาของข้าพระองค์ด้วยเทินอพอเสร็จแล้วก็นะนั่งประนมมือพระประเจ ก, ก็ให้พรนะ เออท่านก็มองดูล่ะพระพุทธเจ้าท่านมีญาณรัศชนะใช่ไหมล่ะท่านก็มองดูพพพพพพไปโอ้อนาคตของเขาเป็นยังไงเออเขาจะได้เกิดเป็นพระอนุรุทธะ เ, เป็นสาวกของพอระพุทธเจ้าโคลธรมะในชาตินั้นเขาจะเป็นผู้หนึ่งเออเป็นผู้รู้ จ, จักจิตวิญญาณ น, นิโรติปฏิสัมพิทาญาณองค์หนึ่งในอนาคต พระปพเจก็ให้พระเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของเจ้าจงสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างที่ท่านต้องการนั่นเทินนอันนี้คือพระปเจกให้พรจากนั้นพระปฏเจก็ขเหาะขึ้นบนอากาศไปที่อยู่ที่เขามู ล, ละกะที่ป่าหิมพานต่อไป ทุกขตาน่ะก็สาธุสาธุนะในชาตินั่ น, นเศรษฐีอยู่ข้างๆบ้านที่พักของทุกขตานะเทวดาอยู่ในบ้านเศรษฐีก็สาธุสาธุสาธุาธนับตามอีกนะเพราะเศรษฐีก็ไม่ได้ยินเสียงมองขึ้นไปเอ้าเสียงใครเนี่ยอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเทวดาโมเทวดาเทวดาสาธุอะไร เทวดาบอกว่าข้าพเจ้าสาธุกับทุกตะได้ทำบุญกับพระปเจกพุทธเจ้าในวันนี้ได้ใส่บาตรพระปเจกพุทธเจ้ า, จาแล้วก็ตั้งความปรารถนาของเขาเศรษฐีก็บอกเาอ้าวเาทวดาไม่มองเหรอข้าพเจ้าทำบุญมากมายแต่ละวันทั้งประตูสีมุมเมืองแล้วก็กลางเมืองอีกทำบุญที่หน้าบ้านอีกเป็นหกแห่งแต่ละวัน วันละหกแสนก็ 6, หาปณะเนะทวอดาไม่เห็นเหลือการทําบุญของข้าพเจ้าเทวอดาบอกว่าทําบุญท่านทําบุญก็จริงอยู่ท่านทําบุญแต่ว่าทุกตะคนนี้เขาทําบุญเขาทําบุญด้วยน้ําจิตน้ําใจจริงๆแล้วก็เขาหว่านพืชลงในเนื้อนาที่ดีคือได้ทํ า, าบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ท่านทําบุญเนี่ยทำบุญทั่วไปแต่นี้ทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ ออกจากที่โรดสมาบัติอีกเพราะฉะนั้นบุญกุศลของทุกตะวันนี้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เทวดาว่าขอโมทนาจากบุญกุศลที่ทุกตะได้ทำในวันนี้จากนั้นเทวดาเขาอธิบายให้ฤาษีฝังฤาษีโ อ, อ, อ้เราควรจะไปแบ่งเอาบุญกุศลจากทุกตะด้วยเจฐีก็เลยลงมาหาเออทุกตะ ท่านจะขายบุญให้เราไหมทุกตะอุย้ยขายไม่ได้แล้วครับเอาเธอหนะ้าเธอก็ทุกเนี่ยเราจะให้พันกระหาปณ ะ, ะเลยอุย้ยไม่ขายไม่ขายเหมือนกรหาปณะนะไม่ขายแสนกระหาปณะนะไม่ขายเออเอ้าเอ า, เอาอยัางไงจ้ะโอ้ท่านจะให้ผมนั้นเี่ยผมขอขอถามพระปฏิเจกพุทธเจ้าดูก่อนท่านว่ายังไงผมก็จะว่ายอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยไม่ขายเด็ดขาดไม่ยอมขาย เออทางก้นก็เอา้าคอยคอยฟังจากนั้นพระประเจกพุทธเจ้าเห็นว่าเศออรษฐีทุกกะตะคนนี้เขาจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องแบ่งสมบัติให้อยู่แล้วเนี่ยพ่ะปะเจกเขาบินมากับมาบินทาบาทอีกนะ อ, อพอมาแต่นทุกกะตะเลยก็ถามพระประเจกทนเลยพระพุทธเจ้าขาเนเลยเจษฐีเขาจะมาซื้อบุญกุศลจากข้าพระองค์ ข้าพระองค์สมควรจะให้เขาไหมพระเจ้าข่าเนะีพระเจคพุทธเจ้าบอกว่าะวะอืทุกขตะเหมือนกับเธอมีมีเทียนเล่มหนึ่งจุดไฟอยู่ให้เข้าในใจของท่านเนะี่ยเหมือนกับมีมีเทียนเหมือนกับเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งที่มีไฟอยู่อยู่ในมือของท่านแต่คนอื่นเขาเขามาขอจุดเทียนมาจุดไฟในเทียนของท่านนะ ไฟของท่านอยู่ในเทียน่ะมันพ่องไหมมันหมดไปไหมไม่หมดพระเจ้าค่ะเออไม่หมดก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเขาอยากจะมาจุดก็มาจุดไปเลยให้เขาแบ่งให้เขาไปเลยนะถ้าเขาแบ่งสมบัติให้ก็แบ่งให้เขาเลยครับผมเออจากนั้นมาเศรษฐีก็มาถามเ อ, อ้าวว่าไงได้ถามเพราะผู้เป็นเจ้าเพราะประเจกก็ยังถามแล้วท่านว่าไงท่านบอกว่าเหมือนกระจุดเทียนเออเอาท้าย่างนั้นผมขอจะเครึ่งหนึ่งก็กแล้วกันนะ ผมจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนกันทางทุ ก, กะตะเออยอมยอมแบ่งบุญให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นเศรษฐีก็ยกฐานะทุ ก, กะตะคนนี้ให้เป็นเพื่อนกันเป็นเศรษฐีด้วยกันอยู่ในเมืองนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือบุญบา ร, รมีที่การสั่งสมคือการทำบุญซะก่อนจึงขอพรจากนั้นมาชาตินี้เถพระอนุรุทธก็มาเกิดเป็น ลูกผู้น้องพระพุทธเจ้าที่กลุลงกระบินละพัดจากนั้นก็ออกบวชก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่นี้เศรษฐีคนนั้นน่ยไปเกิดอยู่ในนู่นจุบนหลังเขาอยู่ในบ้านพระอนุรุธทธาเนี่ยไปโปรดพอไปโปรดไปเทศให้ฟังลูกนายบ้านะคือผู้ใหญ่บ้านอยู่ในหมู่บ้านนได้ลูกสองคนลูกชายภาษาริบุตรว่าถ้าจะถวายลูกชายให้อัตมาเป็นสัมมาเนนะ มาอุปถากอัตมานะอัตมาขอคนเล็กเธอนะเออขอคนเล็กเนี่ยคือคนเล็กเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันคือเป็นเศรษฐีด้วยกันมาก่อนเนี่ยเพราท่านรู้เนี่ยท่านเป็นพระรหันเนี่ยขออัตมาขอลูกไอ้คนเล็กเธอนะเออทางนายบ้านนั่นก็เลยมอบให้ลูกให้มอบลูกชายคนเล็กให้อายุเพียงเจ็ดขวบเองนะ่ะพระสารีบุตรเออหนุ่มสุมาณะเธอตั้งใจนะเลยจะปลงผมให้ เกษาของไม่เที่ยงนะเกษาของไม่เที่ยงนะเป็นอเนจังนะนะสมณะนะพอเอามีดโกนจดผมเท่านะั้นผมขาดสามเส้นได้สาเร็จเป็นพระรหันตนะ์เห็นไหมนะคือท่านสั่งสมคุณงามความดีมาแล้วบุญกุศลเก่าแก่ของท่านมีอยู่แล้วนะท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระรหันต์ผมขาดเพียงสามเส้นเท่านั้นเองนี่แหละบุญกุศลไม่ควรจะปล่อยปลาละเลย สิ่งดีก็ตามสิ่งชั่วก็ตามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดขึ้นว่าอากตังตุกตังเสียโยต์ปัชชาตปฏิ ต, ตุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสด็จดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วกำชั่วตามให้ผลเกิดภพใราชาติใดมีแต่ความทุกข์ยากลําบากแต่ถ้าคนทําคุณงามความดีก็เหมือนกันะเมื่อทําความคุณงามความดีแล้วคุณงามความดีก็ตามให้ผลจนถึงที่สุดนเไอ เพราะใครชาติใดท่านสร้างแต่กูลงามความดีพอมาถึงชาติจุดท้ายเนี่ยพอจะได้เป็นพระรหันในชาตินี้เนี่ยเกสาของไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจงนะสุมาณะนะสัมมเณ น, นน ะ, เ, ะเธอจะบวชเป็นสัมมาเนนไนดะ้เกสาของไม่เที่ยงนะเพียงมีดโกนจดลงไปในผมผมขาดเพียงสามเส้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแสงสว่างพราดขึ้นมาในจิตใจเลยเอ ได้เป็นพระหันในขณะนั้นเลยเนี่ยนี่แหละบุญกุศลไม่ควรประมาทพวกเราควรจะสั่งสมพุนงามความดีไปเรื่อยอย่างไปกราบพระไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปกราบไหว้พระเจดีย์ไปกราบไหว้พระพุทธปฏิมาอย่างนี้แหละหรือปีใหม่อย่างนี้แหละควรจะปรับปรุงกายใจอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้อ่านพรปีใหม่อันดับแรกก็คือให้ตั้งตนให้คิดดีทดําดีพูดดีอย่างนั้นก็ให้ยึดพดระไตรสรนคม พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึงจากนั้นก็ให้มีทานให้มีศีลให้มีทานให้มีการเสียสละแล้วก็ให้มีศีลแล้วก็ให้มีภาวนาทำจิตใจให้สงบจากนั้นก็ให้อยู่ในทิศทั้ง6ให้รู้จักครบบิดามารดาทิศเบื้องหนา้าสามีภรรยาควรปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ควรนอบน้อมครูบาอาจารย์อย่างไร มิตรสหายควรรักเมตตาเคารพนับถืออย่างไงอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปเอารัดเอาเปรียบมิตรสหายทิดเบื้องต่ําลูกน้องบริวารเราควรดูแลเขาอย่างไรสมมนทพราหมณ์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ให้ความรู้แนะนําทางด้านจิตวิญญาณาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าพวกเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อ, อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็อำนวยความสะดวกกับเราเราจะมีแต่ความสุขนะแต่ถ้าว่าเราไปก้าไปแล้วไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอยู่ใกล้ภูเขาขุดภูเขาอ่ไปอยู่ในป่ากระถางปา่าไปอยู่ใกล้น้ำก็ถมลำคลองขึ้นมาสิ่งธรรมชาติเหล่านั้นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็ทำร้ายทาลายเราเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่อยู่ใกล้เรานะั่น่ทิศ ท, ทั้ง6กเนี่ยนะอยู่ใกล้ชิดเรานะ คือพ่อแม่สามีภรรยาครูบาอาจารย์มิตรสหายตูกน้องบริวารแล้วก็ครูบาอาจารย์สมณะพราหมณ์ถ้าเราทําถูกแล้วมีแต่ความเจริญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะาาจต่าญาติโยมทุกๆุกค น, นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปกัดกลองกลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังในวันนี้มีเหตุผลไหมถูกต้องไหม เมื่อถูกต้องแล้วขอนำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งภพนี้ท้าชาติต่อไปปุญญานิปละโลกัดสมิงปฏิฐาโหรติปานิหนังบุญยอมเป็นที่พึ่งของสรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวนะพระพุทธเจ้าวตนะโลกนี้นะโลกนาโลกนาก็คือเราจะต้องเกิดอีกอไม่ศู์ ร่างกายของเราใ น, ในี่ตายแน่แต่จิตใจของเราเน่จะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดพบภูมิอีกต่อไปอ่ะต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะนัธณีเนาะ